พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าช้างเท้าหน้าเท้าหลังเกื้อหนุนกันวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระ และกับวันสำคัญเราจะออกมาฉันยกข้างนอกถ้าหากวันเราไม่เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเราไม่ใช้มันก็เป่าเปี่ยวเดียวไดต้องออกมาใช้มันสล า, าข้างนอกแต่ถ้าเมื่อทาวันธรรมดาก็ใช้สล า, าข้างในนั้นลูกหลานทั้งหลายถ้าได้มาวัดหลวงพ่อเอ๊ะทาไม วันหนึ่งฉันข้างนอกวันหนึ่งฉันข้างในแต่าวาปรุงพอได้พูดให้ฟังแลเออถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระเราจะฉันอาหารข้างนอกสลาหลังนี่แหละเพราะสลาหลันี้กว้างขวางแล้วบางทีก็มีกลุ่มมากราบคารวะเรีอกว่ามาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็นัดมาพบกันที่นี่ที่สลาหลังนอก เป็นนั้นว่าจะลาหลังนอกเนี่ยเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองะมันเป็นหลังใหญ่กว้างขวางแต่หลังข้างในก็เป็นหลังเก่าแล้วก็ทำสังฆ ก, กรรมบวชพระแล้วก็โบสดรับกะถินถ้าเป็นงานพิธีทางศาตศาสนา การพิธีทางสงแล้วก็ต้องทําพิธีอยู่ที่ศาลาข้างในเพราะศาลาข้างในเป็นวิสูุขามศีมานั่นไงพิสุขามศีมาคล้ายๆกับว่าจะทําสังฆกรรมเกี่ยวกับสงอย่างองอุโบสถอย่างเนี้ยดึกออกวรนสาอย่างนี้ อ, อว่วนสําสคัญเราก็ทําอยู่ข้างในเพื่ะทําให้ถูกต้อง ตามหลักพระธรรมวินัยแต่ครั้งนอกนั่นเป็นศาลาทั่วๆไปรับคู่คนลูกหลานสัทธาญาติโยมมาจากจากตุระเทศวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบห้ากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าอหกสิบพระทั้งหมดในวัดของเรา4ี่ิเจ็ดรูปนั้นลูกหลานขณะนี้นะพระจำพรรษาแต่จำพรรษาจริงแต่ผู้ที่ บวชช่วงคราวก็มีอยู่องค์ดั้งสององค์ในขณะนี้นะจากนั้นก็เป็นพระที่จำพรรษาทั้งหมดแต่บางคนลูกหลานก็คงจะคิดว่าเอ๊ะทำไมในพรรษานี่บวชได้อยู่เหรอมีคนถามเยอะแยะะลงพ่อก็ได้ชี้แจงไปมากโตมากในพรรษานี่ก็ถ้าหากว่า ไม่จาเป็นไม่บวชก็ดีเพราะมันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะว่าพระท่านจะมีกิจโทรเรียนหนังสือบ้างตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติบ้บางถ้าไม่บวชได้ก็ดีเพราะในพรรษาแต่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ไหม่ห้ามถ้าใครห้ามเป็นอบัตอีกต่างหากเป็นอบัตทุกกฎถ้าห้ามคนไม่ให้บวชในพรรษาสาเหตุเป็นมายางไง หลวงพ่อเ ค, เคยเล่าให้ลูกหลานก็น่าัดธาญาติโยมฟังสมัยหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนางวิสาขาจะเอาหลานชายไปบวชในพรรษาก็เลยไปหาพระสงฆ์แต่นางก็ไม่ได้ไปหาพระพุทธเจ้านะไปหาพระสงฆ์ก็มอบมอบหมายให้พระสงฆ์ดูแลการบวชหลานของตนเองพระสงฆ์โอ้โยรับไม่ได้หรอกโยม ทานรับขืนแล้วไปบวชเข้าไปแล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงติเตียนคล้ายๆกับไม่เห็นด้วยทำไมทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาออพรรษาซะก่อนเถอนนอะอยค่อยบวชทาในพรรษาเนี่ยทางพระพุทธเจ้าบัญทรงติเตียนแล้วกพวกอัตมาเองก็ไม่อยากจะเป็นต้นบัญญัติต้นบัญญัติก็คือภิกษุก่อเรื่องคนแรก าทำผิดคนแรกพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยอาตมาไม่อยากจะเป็นต้นบัญญัติเป็นความผิดเกี่ยวกับทำวินัยเพราะนั้นออกพรรษาก่อนนะยัะค่อยบวชพอออกพรรษาแนละ้วหลานชายของนางวิสาขานะเปลี่ยนใจไม่บวชพอเปลี่ยนใจไม่บวชยา ก, กเลยเสียอกเสียใจใยญ่ใหญถ้าว่าบวชใ้พรรษาจะดี อันนี้ออกพรรษาแล้วปิดลูกหลานเปลี่ยนใจแล้วแกไปกราบพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าข้า่ยหลานของหมอมชันจะบวชอยากจะบวชในพรรษาแต่พระสงฆ์บอกว่าบวชไม่ได้ก็เลยขอออกพรรษาก่อนพอออกพรรษาแล้วหลานของหมอมฉันก็เลยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจและไม่บวชต่อเ น, นี่ยไปคุณลภุตรผู้ใดคุณลภุตรลูกหลานผู้ใดอยากจะบวชในพรรษากับขอ ขอพระพุทธ อ, องคอ์ส่งอนุญาตด้วยเธ อ, เ, อเพื่อเขาจะได้เป็นอุปนิสัยต่อไปภายภาคหน้ า, นะาพระพุทธองค์ก็เอเอรับพระนางวิสาขอขอนะจากนั้นพระพุทธองค์ก็เลยเรียกประชุมสรงงนะานเพียงแค่นั้นก็เรียกประชุมสรงนะดูก่อนพระสงโ์ทางร้ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณระบุดที่จะมาบวชในพรรษาต่อไปภายภาคหน้าพวกเธอท่านทั้งหลายต้องอนุญาตให้เขาบวชนะถ้าภิกษุกลุม่มใดห้ามไม่ให้บวชในพรรษาปรับอวบทุกกฎเป็นวินัยขึ้นมาอีกอันนี้ก็บอกกล่าวให้ลูกหลานคณะสัตธาได้ญาติโยมได้ทราบแต่ว่าถ้าไม่บวชก็ดีเพราะว่ามันเป็นการบรบกวนพระสงฆ์ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ก่อนที่จะบวชได้ก็ต้องเอสาห้างพันเตต้องใช้เวลากว่านจะบวชได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะร น, นั้นถ้าหากออกพรรษาเจ้ากรลูกหลานถ้าไม่รีบไม่เล่งไม่ด่วนอันนี้ก็คือบอกกล่าวให้จัตวาญาโสมได้ฟังแต่ปวดนอกพรรษาพอกาาลามพรรษาลาสิกขาได้ไหมลาสิกขาในท่านท่านไม่ได้ห้ามนะ ถ้าใครอยากจะลาสิกขาเมื่อไหร่ถ้าตกตรงกันได้แล้วก็ไม่ว่าสตมหมดศรัทธาเนะี่ยทำยังไงแต่ศาสแตพุทธศาสนาประเทศจีนเกาหลีไต้หวันบวชแล้วเขามาให้ศึกนะ เ, เขาบวชเข้ามาแล้วเขาว่าให้มาให้ศึกให้อยู่ตลอดไปถ้าบวชแล้วแปลว่าตัดทีตัดจากพี่จากน้องจากปวงสาคณนายาตอยู่ในพุทธศาสนาตลอดไปแต่พระไทย พมา่าสีลังกาลาวพวกเถรวาทเนี่ยท่านให้ศึกศึกได้ท้าหมดศรัทธาแล้วถามมิโยดญาติโยมบางคนถามอันไหนดีอันไหนดีนนดมันก็นดีทั้งสองอย่างแต่หลวงพ่อว่าให้ศึกนันดีกว่าในความเหตุของหลวงพ่อนะทำไมเป็นอย่งงางนั้นหลวงพ่อเพราะว่าเหมือนกับคนเข้าโรงเรียนใช่มละสมัครเข้าโรงเรียน พอสอบเข้าโรงเรียนเนี่ยครูก็รับเพราะเขาไปอยู่ด้วยในโรงเรียนนั่นนักเรียนเกเรแต่นี่ยนักเรียนเรียนไม่เก่งเรียนไม่ได้แล้วจะจำยังไงครูก็ไม่ลาออกก็ไม่ได้ต้องทุ่เสียอยู่โรงเรียนอย่างนั้นก็เลยทําให้นักเรียนเสียหายเสียหายหมดเพราะอะไรเพราะนักเรียนไม่มีเรียนไม่เก่งนักเรียนเกเรนักเรียน ไม่ใส่ใจมันมีหลายๆโขนเข้ามาโรงเรียนก็เสียหายถ้าหากนักเรียนไม่ดีไม่ตั้งใจเรียนก็เอื้อออกซะเพื่อไม่ให้เกิกะละลานไม่ให้เป็นภาระของนักเรียนอื่นอื่นเป็นตัวอย่างพอนักเรียนหมดศรัทธาแล้วเนี่ยก็ไว้ทําไมเนี่ยหลวงพ่อวัดดีนะนี้ก็เหมือนกันพระที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาถ้าองค์ไหนไม่มีศรัทธา แล้วก็อยู่ทูตสีอยู่แล้วจะทำยังไงองค์ที่อยู่ด้วยก็เเพื่อเพอองค์บางองค์ก็เรียนแบบองค์นั้นด้วยเพราะองค์นั้นไม่มีศรัทธาบางทีเพือเผอต้มมามา ก, กินในเวลากลางคืนอีกต่างหากเพราะไม่เชื่อไม่มีศรนะัทธาทำอย่างนั้นได้ยังไงพอเขามาบวชก็ต้องรักษากฎกติกา ร, รักษากฎระเบียบการเป็นอยู่ของพระให้อยู่ในสีหลาจารวัด ศรัทาญาโยมมาทําบุญกัมั่นใจว่าเออเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในศีลและวินัยอยู่ในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศรราสกยบุตรที่แท้จริงผู้ที่มาทําบุญก็มั่นใจว่าะไรพระสงฆ์อยู่ในศีนลธรรมอยู่ในธรรมวินัยพระพุทธศาสนาก็มั่นคงนี่แหละพระที่อยู่เป็นผู้มีศีล ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าบอกกล่าวไว้ว่าศีลและวิเนยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตระาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นคล้ายายว่าพระสงฆ์ยังรักษาศีลวินัยกฎกติกาอยู่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็อยู่นานเท่านานไม่ว่า 5,000 ันปีหมื 10, ่นปีถ้ายัางมีพระสงฆ์รักษาศีลบสร รักษาศีลตามหลักธรรมวินัยอยู่เป็นหมื่นแสนนปีพอพรารพอว่าพระสงฆ์ยังรักษากฎกติกาอยู่แต่ถ้าว่าพระสงฆ์ท้งหลายไม่เชื่อในหลักพระธรรมวินัย เ, เป็นผู้หมดศรัทธาไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคําคสอน เ, อเป็นคราวญาทั้งหมดซะใส่ชุดยูนิฟอร์มอื่นไม่อยู่ชุดไม่อยู่ในชุดอยู่ในฟอร์มของพระสงฆ์ศาสนาก็หมด เพราะอะไรเพราะว่าหมดหมดธรรมวินัยคําว่าธรรมวินัยคำนี้ก็คือกฎกติกาการอยู่ด้วยกันนี่แหละพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอย่ามองข้ามเรื่องกฎกติกาหรือศีลและวินัยแต่สําหรับพระสงฆ์ก็คือศีลและวินัยที่บวชเข้ามาแล้วก็ให้ทำตามกฎตามหลักการทำคาสอนสําหรับศรัทธาญาติโยม ผู้ที่อยู่ข้างนอกแต่ศรัทธา ญ, ญาติโยมเป็นผู้ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพุทธศาสนาก็อยู่ลำบากเหมือนกันร้อยหลอเหมือนกันเพราะว่าศรัทธา ญ, ญาติโยมไม่มีศีลไม่มีธรรมมีแต่เรื่องโลภโขโมกันมีแต่ข้าวฟันแกงแย่งกัน เป็นมีแต่มิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวเรื่องกันหลวงพ่อยังเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระสงฆ์ได้อยู่ข้างมากรบในพุทธศาสนาอยู่ข้างในเหมือนกับส้าเหมือนกับเท้าเท้าหน้าคือเท้ า, า, ทาขาหน้าขาหน้าของช้างสองขาะภิกษุสามเณรเอเ อ, อ แต่สั้นสําหรับศรัทธาญาติโยมอุบาสกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาโยมผู้หญิงเหมือนกับเช้าขาหลังสองขาแต่ถ้าว่าเช้าท้างช้างขาหน้ามันเดินมันเดินไปทางไหนขาหลังก็ต้องเดินตามใช่ไหมล่ะถ้าขาหน้าเดินผิดที่ผิดทางลงเหวขาหลังก็ต้องลงเหวไปด้วยเพราะเนี่ยพาะมันไปด้วยกันเพราะนั้นเรื่องเช้าขาหน้าเนี่ย พระสงฆ์เขามาอยู่ในพุทธศาสนาเป็นเป็นแนวหน้าเลยมันต้องกันกรองว่าเราจะเดินไปยังไงมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมวินยัยมันจะถูกหลักทำคําสอนของพุทธะพระสงฆ์ที่อยู่ข้างในต้องอประชุมหาเลือกันต้องเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีตวดรวจตราดูหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเดินไปทางไหน มันจริจเป็นศีลเป็นธรรมถ้าพระสงฆ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินไปในสูน่ทำนองครองธรรมอุบาสกอุบาสิกาให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็เดินตามนี่แหละพุทธศาสนาก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าพุทธบริษัทสมสี่กลมเกลียวสามัคคีกันมีความพ้อมเพียงสามัคคีและเห็นพ้องต้องกันใน ศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแต่ถ้าว่าศรัทธาญาติโยมเห็นเป็นอย่างหนึ่งพระสงฆ์เห็นเป็นอย่างหนึ่งใช่พระสงฆ์ดีเดินไปในทางที่ถูกต้องแต่ศรัทธาญาติโยมมีแต่โลภโหมดโมกณนะมีแต่ทําิิผิดสิิ์ผิดศีลผิดธรรมไม่มีศีลหา้ามีแต่ลบลาข้าฟันกันป้นขี่ฆ่ากันผิดศีลผิดธรรม เหมือนกับช้างขาเป๋ช้างขาหลังมันเป๋ขาหน้าเนี่ยเดินตะกุยตะกลายตะกุยตะกลายไปแต่ช้างขาหลังมันเดินพอมันสางขาเป๋ดูสิพวกเราว่ามันจะไปถึงไหนมันก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าว่าช้างขาหน้าหลุดหรือสางขาหนาไม่ดีช้างขาหลังจะดีขนาดไหนให้การสนับสนุนขนาดไหนสางขาหน้าขาดยิ่งแย่ใหญ่มีตะอกตะลุยไป ขาหน้ามันจะขยักขยื่นยันไปเรื่อยๆมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทสี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายาศาสนาของเราตถาคตเนี่ยจะยั่งยืนไปได้ก็พุ ท, พ ท, พ ท, พทธบริษัทสี่นี่แหละ เป็นผู้ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าพุทธบริษัทสี่ไม่ให้การสนับสนุนศาสนาของเราตถาคตจะเสื่อมก็เสื่อมกเพราะพุทธบริษัทสีนี่แหละเป็นผู้ทําลายไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ศาสนาอื่นไม่ใช่คนอื่นคนอื่นทําลายพุทธศาสนานี่แหละพุทธบริษัทสี่นี่แหละเป็นผู้ทําลายเนี่ยพวกงราตรัสอย่างนั้นมันก็จริงนะ ถ้าว่าพวกเรายังเหนียวแน่นเชื่อมั่นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยูเออ่เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว อ, อนรกสวรรค์มีตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิด อ, อคุณผู้มีอุปกระคุณผู้มีพระคุณมีถ้าเราเชื่อมั่นในการทําความดีในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะอย่างเหนียวแน่นเออ พระศาสนาหรือพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะก็อยู่กับพวกเรานานเท่านานอยู่กับพุทธบริษัท4นี่นานอย่าพุทธบริษัทสภิกษุสา ม, มเณรเป็นสองนะยัยอุบาสกกิยมผู้ชายอุบาสิกาคือกยมผู้หญิงเป็นสี่นี่แหละผู้ที่จะทําให้ศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญอยู่ในพุทธบริษัทสี่นี่แหละเพราะนัะ้นให้พวกเราตรวจตราดูตนเองทีนี้ อย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงฆ์อยู่ข้างในหลวงพ่อก็จะต้องมองดูตนเองเอออยากจะให้ลูกน้องดีอยากจะให้พระองค์นั้นองค์ดีในะวะัดหลวงพ่อต้องมองดูตัวเองหลวงพ่ออินดีเลยอย่างจึงอยากจะให้คนอื่นดีการจะให้คนอื่นดีต้องนับหนึ่งจากตัวของเราซะก่อนเมื่อเราดีหลวงพ่ออินดีแล้วองค์อื่นอองค์นั้นก็ดีองค์นี้ก็ดีถ้าไม่ดีแล้วก็บอกอย่าทาแล้วมันไม่ดีนะอย่างนั้น ท่านท่านท่า น, นต้องทําดีนะตอนนี้เมื่อเราดีแล้วเนะี่ยท่านเราไม่ดีนะทําตัวไม่ดีแล้วจะไปสอนให้คนอื่นทํานดะีจะไปสอนได้ยังไงบอกกล่าวได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องการที่จะทําดีต้องนับหนึ่งนับหนึ่งจากข้าพเจ้าจํานับหนึ่งจากตัวของเราเองถ้าเมื่อตัวของข้าพเจ้าหนึ่งดีแล้วนะคนอื่นก็เอาทําดีอีกสองทำดีอีกสาม ก็นับไปเลยเออถ้ามันหนึ่งก็ยังไม่ ย, ไมยังไม่มีตัวของเรายังไม่มีแล้จะนับให้คนอื่นเป็นคนทําดีมันยากกันว่านะเพราะฉะนั้น อ, อพวกเราท่านทั้งหลายวาสุกุวาสิกาัทธายาตโยมก็เหมือนกันข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งออยึดพระไตรสรารนคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงยึดท่านผู้ดีเป็นหลัก อ, อจากนั้นก็ เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีผิดกฎหมายทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นลำบากในการกระทาของเราการพูดของเราแนวความคิดของเรามีแต่คิดเบียดเบียนจะให้คนอื่นเดือดร้อนเราเราจะไม่ทำเราจะทำแต่ให้เป็นสิ่งที่สร้างสรร์มีแต่แนวสร้างสรร์ให้หมู่เพื่อนโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากัน ถ้าเราคิดอย่างนั้นนะนี่แหละการอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ต่างคงก็ต่างมีความร่มเย็ยนเป็นสุขมีอะไรกันเนะี่ยแสวงหาทรัพย์เอหาด้วยกันเกื้อกูลหนุนกันถ้าหาว่าใครด้อยกว่าเออส่งเสริมกันแล้วก็บผู้ที่อยู่ด้วยกันัำว่าขามโมยโพยโจนออสิ่งที่มันผิดศีลธรรมเราจะไม่ทำนี่แหละ ถ้าว่าพวกเราคิดได้อย่างนี้นะโลกโลกในยุคนั้นยุคสมัยนั้นหรือยุคนี้สมัยนี้ก็เถอะถ้าเราคิดอย่างนั้นนะการอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ร่มเย็นเป็นสุขทวนหน้ากันถ้าว่ามีการเบียดเลียนเอารัดเอาเปรียบกันลังแกกันแล้วก็ตัวไหนผูดได้ด้อยกว่าเก็เบียดเลียนกันใช้กดหมูกฎไมย ที่ไม่มีศีลธรรมที่ไม่ถูกต้องขม่มกดขี่ข่มเหงกันนะเพราะว่าผู้มีอํานาจเหนือกว่าบางทีมันถูกเขาถูกขอยู่แต่ว่าเรามีอํานาจใช้กฎหมู่กฎหมายแบบป่าป่าเถื่นๆแบบไม่ถูกต้องโลกทั้งโลกในยุคนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมคํำนี้นะสมควรยิ่งพวกเราจะต้องมองตนเอง มองเจ้าของอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละในการอยู่ด้วยกันสินจะว่าเป็นหมวดสินแล้วก็การเสียสละคือการหมวดทานทานคือการเสียสละการดูด้วยกันเราเป็นลูกของพ่อของแม่เราก็เสียสละให้พ่อให้แม่ดูแลพ่อแม่เมื่อท่านเท่าเกศลาเราก็ต้องตัวตราดูอันไหนเราจะช่วยเหลือท่านได้ พรท่านช่วยเหลือเรามาตั้งแต่เราเกิดมาเกิดมาเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบแต่เดี๋ยวนี้ทางโลกทางตะวันตกเขาน ะ, เ, ะเขามีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งถ้ า, าจะว่าไปแล้วก็เลี้ยงขึ้นมาแล้วกเ็เขาก็ไม่ไดพ่อเท่าพ่อแม่แก่เท่าฉรานะเนงกงกกันนั่นเออ ไปที่ไหนคนนะ่ะอายุมากแล้วก็ยังหิ้วของอช่วยตนเองอยู่ตลอดแล้วจะช่วยได้ขนาดไหน้ะลูกหลานไม่ช่วยนี่แหละตามไม่จริงวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยวัฒนธรรมของอพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าบุพการีนี่บุคคลผู้มีอุปการะรากร่อนคือใครคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายาทำไมจึงทวงถึงผู้พ่อแม่ถึงปู่ย่าตายาย บางคนคนได้รับมรดกมาจากปู่ทั้งปู่ทั้งย่าด้วยบางคนก็ได้รับมาทั้งตาทั้งยายด้วยตายายก็คืออะไรคือเป็นพ่อเป็นแม่ของแม่ปู่ย่าก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ของพ่อเราในฐานะลูกนะเราก็ได้รับมรดกทั้งสองฝ่ายเราก็ได้รับความสงบได้รับความผาสุกเพราะมรดก ที่ไร่ที่นาที่รั้วที่สวนที่มรดกที่ท่านปู่ย่าตายายที่ท่านสอบแสวงหาและก็มอบให้ลูกของท่านพอลูกของท่านได้มาแล้วกันมาเลี้ยงลูกกับ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อเราท่านทั้งหลายเกิดมาจากพ่อจากแม่เนะี่ยเราก็ต้องล้ำลึกถึงพระคุณปู่ย่าตายายด้วยเพราะว่าเราลืมลืมตาอ้าปากได้เนะี่ยเพราะว่าเราได้ เรียนหนังสือนี่ก็เพราะว่าทุนของปู่ย่าตายายที่ให้พ่อแม่ของเรานี่แหละในหลักของพุทธศาสนาท่านเจียงบอกว่าบุพาการีบุคคลผู้มีอุปกรณ์เราควรจะแสดงความกระตันยุกระตะเวทิตายอย่างไรต่อผู้มีอุปกรณเหล่านั้นท่านก็บอกว่าเมื่อท่านเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลอดเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรทิดาบุตรที่คือผู้ชายทิดาคือผู้หญิงคือบุตรหญิงบุตรชายจะต้องทําหน้าที่ดูแลพ่อแม่ของตนเองถ้าว่าปู่ย่าตายาย ยังมีอยู่ยังไม่ตายพูนง่ายๆเราก็ต้องดูแลทั้งปู่ทั้งยา่าทั้งตาทั้งยายด้วยเราต้องให้ความเคารพช่วยเหลือท่านอย่างไรเพราะท่านเป็นผู้เข้าชูวัยชราช่วยตนเองไม่ได้แล้วเป็นหน้าที่ของบุตรที่ละทิดาทั้งหลายจะต้องช่วยกันดูแลอันนี้แหละแสดงความกตัญญูรู้พระคุณลูกพระคุณของพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยาย ที่ให้กับเราเนะนี่ยแหละหลักของพุทธศาสนาท่านสอนลงมาเรื่อยๆอย่างครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเมื่ อ, อครูบาอาจารย์เมื่อแก่เท่าชราานะ เ, เราก็ต้องดูดูแลท่าน เ, เข้าไปดูแลอุปธรรมประถากท่านเพราะให้ธรรมะกับเราเจากนั้นก่อนเมื่อเราทํากับครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ทํากับครูบาอาจารย์เป็นทอดๆกันไปแต่ถ้าว่า ในยุคใดสมัยใดเอาเถอะในยุคหลวงพ่ออินเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับครูบาอาจารย์เอ้ครูบาอาจารย์กัท่านน้นที่สอนก็บจบแล้วจะไปนับถืออะไรตอนนี้พอสอนให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ ก, ก็ไม่นับถืออาจารย์ อ, นอินอีกแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่ออนินกไม่มีลูกศิษย์อีกแล้วพุทธศาสนาจะเป็นจะสืบทอดได้อย่างไรนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือฝ่ายพระสงฆ์ก็ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สืบกันเป็นทอดๆไป เ, เมื่อเคารพครูบาจารย์ที่ท่านแนะนําสังสอนบอกกล่าวยังไงเราได้รู้อัดรู้ทำกับครูบาจารย์แต่ทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้บอกให้พวกเธอท่านต่างๆต้องเคารพหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอันนี้พูดตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบท อ, อดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนมาถึงพวกเรา แล้วพวกเราจะมาตัดตอนแบบทิฏฐิมานะโง่เง่าเต่าตุ่นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราก็ต้องต่อสืบเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่หลวงพ่อเห็นด้วยเห็นด้วยหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่ท่านได้ตรัสสอนอย่างนี้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงกล่าวถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเทศแต่ละกันแต่ละวันและแต่ละเวลาลูกพ่อจะอ้างถึงเพราะอะไร เพราเราไม่ได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรจะรู้รักทำคําสอนได้อย่างไรผู้โลกพระราชขึ้นมาจ ะ, จะสยมผูม้รู้หมดทุกอย่างมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อเรารู้ทำเราก็ต้องเคารพให้ความเคารพในผู้ที่ให้ทำกับเราให้แนวความคิดกับเรา ในหลักของพุทธศาสนาอย่างที่ท่านอจ ช, ชิในบรรดาพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าโกนทันยะวะปะพัทธิยะมหานามะอจ ช, ชิเนี่ยองอจ ช, ชิในององที่ห้าเนี่ยงจะมีอายุพรรษาน้อยกว่าเพื่อนในเมื่อท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้ว พระองค์พระพุทธเจ้าก็ให้ไปประกาศพระศาสนาไปคนละทิศทางกันตั้งแต่โกนทนยายะเอาไปทางหนึ่งว่าปะไปทางหนึ่งพัทธยะไปหนึ่งามานามาภัยหนึ่งอจิชีไปทางหนึ่งไปคนละทางกันในบรรดาสาวกห้าองค์แต่ในพระสาวกอท่านอจชิชีเนี่ยท่านก็นไปบิณทบาทในกุงราชคกุลใช่ไหมล่ะบินทบาทตอนเช้าเนี่ยนี่นหะพระสารีบุตรเนี่ยเป็น เป็นปริภาชกนะใครข่าว่าออกจากบ้านของตัวเองเบื่อนายเป็นหนุ่มขึ้นมานะใครขา่าเป็นหนุ่มขึ้นมาไปฟังคอนไปดูคอนเสิร์ต ท, ที่ไหนร้องลําทําเพลงที่ไหนเพ่อลูกเศรษฐีโมคลากระสารืบุตรเป็นคู่หูกันเป็นเพื่อนกันแต่สองตระกูลนะตระกูลใหญ่ในกรุงราชคือแต่ไปที่ไหนจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เลย เขาจะตั้งเก้าอีส้สูงสองหนุ่มนั่งเคียงคู่กันจากนั้นก็ บ, บริวารคนละห้าร้อยอีกต่างหากพรคนสมัยนั้นเยอะมากนะ เ, เวลาคอนเสิร์ตถูกใจก็โต๊เมือหัวเลาะเอาไปเทปส่งให้ลูกน้องไปเทปวงมาลายไปใหอ้อันนั้นคื อ, คอธรรมดาของเด็กหนุ่มคนหนุ่มเพราะคนมีเงินแต่วันหนึ่ง โมคขาลากสาริบุตรไปเห็นเขาร้องรําทําเพลงสนุกสนานโมกคลากสาริบุตรนั่งเฉยไม่คิดไม่สนุกเอจนแปลกใจเพื่อนด้วยการ น, นั่งอยู่ด้วยกันคือมีความคิดแบบเดียวกันเพราะสังสมบาลมีมาด้วยกันะอฟังมาจากครูบาอาจารย์เคยเป็นฤาษีเป็นมาด้วยกันก็เป็น บันดิตนักปราดก็เป็นมารด้วยกันธรรมมาค้าขายก็เป็นคู่หูกันมาจนตลอดโมคคลากัสาริบุตรเพราะนั่นแนวความคิดเนี่ยจะเป็นแนวลักษณะเดียวกันออท่านไม่สนุกสนานในวันนั้นพอเสร็จแล้วท่านก็เลยเถามพระโมคขาลานะโมกคลายังไม่เป็นพระนะเป็นหนุ่มโมกคลานะี่ยท่านสาริบุตรผมเห็นท่านวันนี้รู้สึกว่าไม่สนุกสนานไม่ร่าเริงเลยเห็นนั่งเงียบเงีย ท่านมีอะไรในใจไหมท่านมีอะไรสารีบุตรก็บอกว่าผมคิดในใจวันนี้เนี่ยผมไม่สนุกผมมองดูแล้วคนทั้งหลายที่นั่งสนุกสนานเฮ้ h เฮ้วกันอยู่เนี่ยทั้งผู้แสดงด้วยทั้งผู้เฮ้ว h ด้วยทั้งผู้คนชมคนดูด้วยล้วนแล้วจ ะ, จะจะตายด้วยการทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกลีน่นหนีความตายไปได้ผมมาเลึกถึงจุดนี้ตอนนั้นล้ผมเลยไม่สนุก เห็นคนจะสนุกไปหาความตายสนุกถึงความตายไม่สนุกไปทำไมอีกสักวันหนึ่งก็จะตายด้วยการหมดทุกคนเนี่ยนะผมมาถึงจุดเนี่ยนะ่ะผมก็เลยมันสะอึกอยู่ในใจเป็นแนวของคิดอยู่ในใจแล้วก็ผมมองเหมือนกันผมมองท่านโมคราเหมือนกันเพื่อนเป็นยังไงทำไมไม่สนุกสนานเอ้ผมก็คิดเหมือนกันนะครับท่านนะ เออผมก็คิดเหมือนกับท่านมันกัดวันเนี่ยผมก็คิดถึงความตายเหมือนกันเพราะมันจะหาความสุขสนุกสนานได้ที่ไหนคนจะสุขสนุกสนานไปเฮหาไปถึงวันตายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันหาความสุขได้อย่างไรผมคิดถึงจุดนี้ผมก็ไม่สนุกเหมือนกันนะท่านเอถ้าอย่างนั้นพวกเรานะควรออกไปหาบวชจะดีกว่าเวหาช่องทางถ้าเราอยู่เป็นฆราวาสอย่างนี้ไม่ได้ มองไม่เห็นทางมีแต่เย่อหยวไปเป็นวันๆตัวเองกวนหนีออกไปบวช ด, ดีนะครับดีเหมือนกันครับท่านสารีบุตรจากนั้นก็เลยชวนกันไปบวชกับสั้นสัญชัยปริปาชกนะอยู่ในกุงราชกือแต่ไปบวชผิดที่ผิดทางใช่ไหไปบวชนอกศาสนาสอนเข้ามาแลไวกันน่ไม่เข้ากฎเกณฑ์เลยท่านสัญชัยน่ย สอนออกนอกลูก่นอกทาง อ, อถ้าโมกขลากสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วนะฟังฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเลยจะไปหาสอนอย่างนี้ไม่ถูกหลอกเราเลือกอาจารย์ผิดจะแล้วข่าวนะี่ที่มาฟังโมกขลากสารีโมกโมกขลากสารีบุตรไปหาอาจารย์ชันชัยปริพาชกเนะี่ยนอกศาสนาทนะ่านก็มีบริวารมากนะคนทั้งหลายก็นับถือในกรุงราชคือเพราะกลุ่มเดียวกันใช่ไหมละ่ะ แมลงวันเขียวก็เป็นหมูแมลงวันเขียวอแมลงผู้แมลงพึ่งกบเกียดตัวมดตัวปวกมันก็เป็นหมูเป็นเพื่อนของมันเหมือนกันออทําไมว่ามีว่ามีหมูเพื่อนมากกว่าจะดีทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะคนนี้เขาปวกอมีหมูเพื่อนมากมดก็มีหมูเพื่อนมากแมลงวันเขียวมีหมูเพื่อนมากแมลงผู้แมลงพึ่งอันนี้เราต้องดูหลักการนะ หลักการที่เขาสอนนั่นนะเขาสอนอย่างไรผู้มีปัญญาเท่านั้นเ่ะจึงจะรู้จักว่าวิธีการสอนเขาสอนอย่างไรสอนไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เกิดก็ไม่ใช่ตายก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ปิญญาเกิดมาเกิดหรือดับดับก็ไม่ใช่ไม่ดับก็ไม่ใช่ฟังฟังดูแล้วไม่รู้เอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ใช่แล้วไม่ถูกละนะอจากนั้นท่านก็ไป ไปโกละทางกันไปสแสวงหาอาจารย์ไปพอทานอาหารเสร็จตอนเช้าเราก็ไปแหะเป็นคนทิฏฐะทางกันพอสว่างขึ้นมาพอสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาก็ไปละไปโกละทิฏฐทางกันพ่อไปไปเห็นท่านอชิชิเอะนี่ยอชิชิบินทบาทในกรุงราชสกุ์นะไปองค์เดียวเนี่ยที่พระพุทธเจ้าให้ประกาศพระศาสนาเออพอไปสารีบุตรเนี่ยตาแหลมเลย น, เนี่น่ยคนตาแหลมคนมีปัญญานี ต้องเลือกต้องดออูไปที่ไหนดูเห็นพระอาติชิเดินเขารับรับบาตจากคู่คนเดินเข้าไปแบบมีสติสัมปชัญญะเวลาถอยมากัด้วยสติสัมปชัญญะเวลาก้าวเดินก็นมีสติสัมปชัญญะไม่ได้แสแสงไม่ได้แกล้งทําไม่ได้ท่านกีบปากกีบคอลักษณะอย่างนั้นเป็นอากัปกิริยาที่สวยงาม ท่านก็มองติดตามลตเลยตอนนี้ตามพระอา ช, ชีพไปตามตามตามตามไปพระอา ช, ชีพพอได้อาหารในบาทเพียงพอแล้วท่านก็ออกนอกเมืองพอออกนอกเมืองเสร็จแล้วท่านก็หาที่นั่งท่านจะไปชั้นันแหลไม่เหมือนท่านไม่มีศาลาอย่างพวกเรานะไม่มีวัดอย่างพวกเราครั้งใหม่ท่านก็หาที่นั่งนอกเมืองอสารีบุตรได้เห็นว่าท่านกําลังมองท้ายมองขวาหาที่นั่งสารีบุตรกับ ปีเข้าไปอะไรกัไปหาใบาไม้มาปูรองให้ท่านนั่งพอท่านก็นั่งที่นั่งเสร็จแล้วสารีบุทธนันก็เป็นผู้ประนายชกเขาถือน้ําติดตัวไปตลอดเนี่ยก็เลยถวายน้ําล้างมือท่านพอถวายน้ําล้างมือท่านอาจารย์ชีท่านก็ฉันภาษารรบุตรหนุ่มสารีบุตรก็นั่งห่างๆท่านดูอาการากับกิริยาที่ท่านฉันอาหาร พอชันท่านสันเสร็จแล้วก็เข้าไปถามท่านท่านครับท่านยูนิฟอร์มเนี่ยนะท่านบวชเข้ามาในะยูนิฟอร์มเนี่ยนะเป็นยูนิฟอร์มอะไรครับท่านนับถือเริ่มงอไรที่ไหนครับอาจารย์ของท่านที่ไหนครับพระอาจารยชีบอกว่าเราบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าสิโคตมะที่ท่านเป็นศาสดาของเรา เป็นอาจารย์ของเราแล้วท่านสอนอยังไงครับที่โคตมะที่ท่านสอนสอนอย่างไรโอ้ยอาตมาเพิ่งบวชใหม่จะให้บรรยายให้กว้างขวางนะคงคงไม่ได้พระอาจเชษ่์รู้แล้วเนี่ยคือสารีบุตรคนก็เดืองเรื่องหรื อ, ร อ, รอพอได้เห็นผ่านๆตายเอาเถอท่านท่านไม่ต้องอธิบายให้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอธิบายมาก เอาแต่ใจความย่นย่อเท่านนะั้นแหะผมจะตีความเองผมนะ่คือสาริบุตรที่ในเมืองในกลุงเราชเกิเนะี่ยเขาก็เรื่องเือว่าผมเป็นผู้มีปัญญาท่านหนึ่งเพราะนั้นท่านบอกได้เลยบอกเอาแต่ย่นย่อเท่านนะั้นพอเอาฟังคือพ ร, พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเยธรรมมาเหตุตัพภาวานะเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุถ้าจะดูให้ดูที่เหตุให้ดู ต้นเหตุแล้วก็ดับที่ต้นเหตุนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพูะพุทธที่พระองค์สอนอย่างนี้นี่งคาว่าเยธมาเหตุตุตภาวิแปลเป็นความหมายเป็นความภาษาไทยว่าเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากใจทั้งหมดเออไม่ใช่เกิดมาจากอื่นคือมาจากตัวรู้สึกนึกคิดตัวรู้สึกนึกคิดนั่นแหละเป็นตัวใจเรื่องทั้งหลายจะดีหรือจะชัว่ว จะเป็นบาปเป็นบุญจะคิดฆ่าคนจะคิดลั ง, ลงแกเบียดเบียนคนออกมาจากจุดนั้นทั้งหมดออกมาจากใจทั้งหมดเรื่องทั้งหลายออกมาจากเหตุเหตุคือตัวใจเพราะนั้นต้องรู้ดูที่เหตุรู้ที่เหตุดับที่เหตุปล่อยวางที่เหตุไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เหตุจุดนั้นนี่แหละพระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้เพียงแค่นั้นภาษาเรีบุตรฟังแล้วได้สําเร็จพระโสดาวันอนั่น ได้สำเร็จพระสูดาบันโอ้รูแจง้งเห็นจริงในธรรมใช่เรื่องทั้งหลายออกมาจากออกมาจากเขตออกมาจากใจจริงๆแต่เน้นท่านก็เอา้าผมขอการลาครับธนาจาชีครับเออจากนั้นก็ลาท่านเอะท่านก็เดินไปไปไปพบโมกขลานะีไปเห็นโมกคลาเห็นสารีบุตรมาแต่กไกลโอ้รู้สึกว่ายยยแย้มยิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกว่าอเหมือนกับ เดินกับตัวลอยแล้วสักสรรค์อย่างนั้นเอ้เพือดของเราคงจะได้รู้เรื่องอะไรบางสิ่งบางาอย่างนะรู้สึกว่าเขามีความสุขจริงๆมองดูแล้วเนี่ยเขาเดินเหินอะไรเปี้ยวเอไม่เหมือนกระยอกง่อยเมื่ก่อนกลับมาท่านสะรดบุตรผมเห็นท่านวันนี้รู้สึกปเปรี่ยวเมีความสุขอย่างมากในความรู้สึกของผมนะท่านมีอะไรเอเอฟังฟังฟั ง, ฟงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะ เดี๋ยวผมได้เจออาจารย์แล้วผมพูดให้ฟังท่านก็ว่าเยธรรมาเหตุตปวานอย่างเก่าน ะ, อะพอท่านจามาพูดให้ท่านสารลบุตรพระโมฆลลาฟังพระโมฆลลาได้สําเร็จพระโสดาบาัดอีกพอจบคําพูดกันนะเพราะเหตุหอะไรเพราะท่านบําเพ็ญบารบีมา ก, ก่อนเก่าหนุนานใช่จากนั้นท่านก็ได้สําเร็จไปโดยแบบโอ้ปะไปหาอาจารย์สนชัยปะไม่ได้เรื่องอาจารย์สนชัยล่าลาท่าน ไปหาเ อ, อต้นตระกูลของเราคือพระพุทธเจ้าเอีอ่ยคือนับถือพุทธังทำรรมังสังขังสรณงคัตฉาวิเลยนะยศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนะเป็นที่พึ่งในจิตใจแล้วเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนี่แหละอันนี้หลวงพ่อมาพูดยุบจุดนี้ไว้ก่อนเลยจะมาพูดเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ไปเลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ท่านให้ธรรมะกับเราเออ เราจะเคารพยังไงนี่ท่านภาษาริบุตรนะในเมื่อท่านได้ไปบําเพ็ญได้บวชในพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้าแล้วท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสินี่เป็นอัครส า, าวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาพระพุทธเจ้าหคือนอกจากพระพุทธเจ้ า, ราหรือคือภาษาลิบุตรองค์ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งภาษาลิบุตรองค์ที่สองโมคลาองค์ที่สม น้ำอัครสาวกเลือดกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านๆๆล้านกระทั่งทุกวันนี้เป็นล้า น, นล้านเป็นร้อยเป็นหลายร้อยล้านเราก็ยังนับถือบอกโมคคราสาลีบุตรเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเบื้องซ้ายขวาเนี่ยเรายังนับถือมาทั่งทุกวันนี้นแต่นี้เมื่อภาษาลีบุตรได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทา่านท่านไปแสถานที่ใดไปโปรดใครทํา ทำสังกกรรมที่ใดอยู่ที่ใดท่านรู้ว่า Bra พระอัจาชีที่เป็นอาจารย์ของท่านนะไอ้เดี๋ยวนี้ทราบข่าวว่าท่านอาจาชิ้ยูทางทิศตะวันออกนะไอ้เดี๋ยวนี้วันนี้เวลาท่านจะหลับนอนท่านก็หันหัวไปทางทิศตะวันออกนะทั้งที่บันไดขึ้นทางทางบันไดขึ้นมาทางทิศตะวันออกก็ตามท่านก็หันหัวไปทางบันไดนะกล่าวพระอัจาชีเอ่ ผู้ที่ให้ธรรมะกับข้าพเจ้าให้แสงสว่างกับข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมท่านอัจารย์ชีแล้วก็หันหัวไปทางท่านอาจารย์นอนนอนหันศีรษะไปทางท่านอัจารย์ชีนะถ้าวันนี้ท่านอาจารยชีอยู่ทางทิศเหนือท่านก็หันหัวไปทางทิศเหนือไปกลับอานอนหันศีรษะไปทางทิศเหนืออันนี้ก็คือท่านสารีบุตรท่านธรรมจนพระภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาสารีบุตรเป็น4500เป็น ทีเอะแปลกหรออาจารย์ของเราวันหนึ่งนอนหันศีรษะไปทางหนึ่งนอนหันศีรษะไปทางหนึ่งอาจารย์ของเราคงเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดในจิตในใจคงมีแน่ๆ ล, ลูกศิษย์ไม่รู้ก็ไม่ถามอีกใช่ไหมเราไม่กล้าถามท่านแต่นี้ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้านะอาจารย์อุปชาของข้าพระพุทธเจ้าแปลกเลยเวลานอนหันศีรษะ วันหนึ่งหันไปทางหนึ่งวันหนึ่งหันไปทางหนึ่งเ อ, อเพราะว่าพร ะ, ะพระอาชิชีนอนทาไปอยู่ทางไหนก็หันไปทางนั้นใช่ไนะอมแปลกเหรอ อ, อย่างนั้นเหรอเอาเรียกสารีบุตรมานแต่นั้นก็เรียกพระซารีบุตรมาเฮาซาลีบุตรเธอเป็นอย่างที่พระสงฆ์เขามาพูดให้เราจริงไหมเพราเหตุไร ภาษาลิบูดก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าจริงอย่างที่พระสงค์เขาพูดที่มากราบทูลพระพุทธองค์พระเจ้าข้าเพราะข้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้อัดได้ทำจากท่านอัจฉชิเพราะฉนั้นข้าพระองค์ท่านอัจฉชิอยู่ณาทิดใดในวันนั้นข้าพระองค์ก็หันหัวไปทางนั้นหันศีรษะไปทางนั้นไปกราบท่านอัจฉริพระเจ้าข้า เออนี่แหละสงทั้งหลายเมื่อได้อัดได้ทำจากท่านผู้ใดรู้เห็นทำจากท่านผู้ใดอย่าลืมพ ร, พระคุณ่ังสารีบทนี้เป็นตัวอย่าง น, านี่แหละอันนี้หลวงพ่อเดี๋ยพูดหลวงพ่อมีหักมีหลักเหตุและหลักผลที่ว่าเรานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พ่อวาเนี่ยท่านถือมารแต่ในยุคครั้งพุทธกาลมาในพระไตรปิฎก เรามองดูเราเห็นเราดูแลติดตามแล้วเราก็เห็นด้วยนะที่ท่านสารีบุตรโอโ้ท่านเคารพในครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เห็นท่านอา ช, ชิชิแล้วก็ได้ฟังธรรมท่านอา ช, ชิชิได้สาเร็จพระโสดาบันเป็นกุญแจดอ ก, กแรกที่ทําเปิดเข้าสู่อัตธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงจําไม่ลืมนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานไ ด, ได้ฟังได้ศึกษานะ ถตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนโมทนาให้พรและพรในตีนนะ